ทังธรรมะเป็นเรื่องสักเอกาะ จ, จิตใจสำหรับนักปฏิบัตินักบวชจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดับาฟังในอย่างนั้นก็ในเกิดปัญญาในรู้จักทางที่จะปฏิบัติตัวข้องตัวมีการพูดบ่อยแต่การพูดธรรมะก็ไม่พูดไปอื่นไกล จากกายจากใจของผู้ฟังถึงแม้ธรรมะนั้นเราจะเคยได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆก็ตามแต <fun c oughs> ่มันก็เป็นสาระประโยชน์เหมือนกันกับเราทานอาหารถ้าเราไม่ทานมันก็หิวห้อยถึงอาหารประเภืนั้นเราจะเคยทานกันอยู่แต่เวลาหิวห้ยมามันก็จําเป็นจะต้องทานอีกเรื่องฟังธรรมะก็ํานองเดียวกัน ปูปฏิบัติธรรมะกวาเ่นกันเดี๋ยวไปคิดฝ่าอันนี้เราเคยได้ที่นี่พิจารณามาแล้วเดี๋ยวต้องพิ่จรนาอันใหม่ท่านท่าน่ใจยังค่องจิตจิตตุงยุ่งเกี่ยวอยู่มันก็ต้องพิ่เจรนาอีกกิเลสปัญหามันหน้าเก่าไม่ใช่มันมาจากที่ไหนมันมาจากใจของเรารูปที่เราเคยเห็น มันก็ยังไม่มีเบื่อไม่มีพอทั้งแี่รูปนั้นมันก็มีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่เราก็ยังติดข้องยังชอบใจยังยุ่งเกี่ยวกับมันเวทนาความสุขทุกเฉยๆในเรื่องของกายก็เหมือนกันมันก็ของเก่าไม่มีมาจากที่ไหนมีจากกายจากใจของเราแต่เราก็ยังหลุ่มหลง ยังไม่ทราบความเป็นจริงของมันดังนั้นเมื่อการพิจารณนามันกว่าจำเป็นจะต้องพิจรารณาเพราะของเก่ามันละไม่ได้มันถอนไม่ออกเราจึงจำต่องพิจารนามันไม่ใช่ว่าพิจารณาแล้วแต่มันไม่แล้วในใจของเรามันยังจิดยังยุ่งยังคิดยังรุงอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ แต่นั้นการพิ่เ จ, จรณาธรรมะจึงควรพิ่เจรนาจนมันละขาดภายในจิตของตัวถ้ามันยังไม่ละขาดเมื่อใดถึงสิ่งนั้นเราจะพิจรณาเข้าใจอยู่แต่มันก็ยังหลงอยู่ต้องพเจรนาอีกทําอีกอยู่อย่างนั้นเขาทํานาเขาทําในแผ่นดินทุกปีทุกการทุกเวลาทุกสมัยที่เขาลงทําแต่ข้าว เขาก็ได้ใส่ยุ่งแต่ฉางของเขาเดีย๋ยวเราพิจารณาอาัธธรรมของพิจารณากายใจของเก่าไม่ได้ปิ๊พิจารณาที่ใหม่เพราะความหลุ่มหลงของกายของใจมันมีจริงต้องพิจารณาถ้าหากมันพอในเรื่องอะไรแล้วอันนั้นในต้องบอกมันมันก่อถอดถอนของมันไปเองจะไปยุ่งเกี่ยวทําไม ว่าะสิ่งนี้มันพอแล้วเหมือนกันกับเราทานอาหารอิ่มอาหารถึงจะมีอยู่ในถ้วยในจานเราก็ไม่สามารถที่จะทานลงไปอีกได้รูปที่เราเคยเห็นเคยติดข้องเคยที่นิพิยารนาก็ทํานองเดียวกันถ้ามันยังไม่พอเมื่อใดใจมันยังสัมผัสใจมันยังคิดตรุงแล้วส่องพิจยานาอยู่เรื่อยๆจนให้ทราบชัดรูปอันนั้นมันไม่มีความหมายอะไร สำคัญอยู่ที่ใจไปยุ่งเกี่ยวรูปเขาก็เพียงแต่สักว่ารูปเท่านั้นไม่เคยไปสวรรค์นิพพานไม่เคยให้สุขให้ทุกข์ให้ดีให้ชั่วกับใครเขาเกิดมาเขากัแบแยบปวนไปตามหน้าขีดของเขาแล้วก็แตกสลายแต่เราไปมั่นหมายว่าเป็นเขาเป็นเราว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้จิตจึงเกิดมานะทิชจิตจึงเกิดราคะตัณหา อยากได้ในสิ่งที่ตัวชอบตัวยินดีโดยอำนาจอวิชาคือความหลงของจิตจิตไปยุ่งไปเกี่ยวว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันดีมันเลิศอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยลุ่มหลงไปสมมติของโลกที่มันมีอยู่มันกบดีมุดเอาไว้เพราะกายใจของเรา เกิดมาเคยไม่ไม่เคยไปสบพบเห็นวีมดุดเคยเห็นแต่สมมติเขาว่าอย่างไรเราก็เชื่อเขาไปจนฝังใจไม่สามารถที่จะถอดถอนออกได้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่และก็ไม่ค่อยสนใจที่จะพิจารณาแก่ไขตัวข้องตัวเหตุ น, นั้นความทั่วความทุกข์มันจึงยุ่งอยู่ตลอดระยะเวลา ทา้างจิตของนั้นเขาไม่ทราบเรื่องของเราเป็นอย่างไรเขามีหน้าที่อย่างไรเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาแต่เราเองไปยุ่งกับเรื่องเหล่านั้นทําให้ตัวของตัวเกิดทุกเกิดโทษมีเรื่องของปัญญาที่จะละถอนกิเลสออกจากจิตจาใจของตัวผู้ไม่พิณิพินพจนาะไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่สามารถ ที่จะทราบเรื่องของมันถึงเรียนจากาำรับตำรามามากขนาดไหนก็นไม่มีวันที่จะแก้ไขใจของตัวให้บริสุทธิ์สะอาดได้ยกตัวอย่างพระโปธิลักษ์เรียนจบพระไตปีดกไม่มีอะไรที่จะเหลือหรอในพระไตปิดกแต่จบเพียงความจำคือสัญญาเท่านั้นแต่จิตใจของท่าน ไม่ได้มีดีอะไรขึ้นแต่มีคนมาศึกษาแต่ถามอะไรก็พูดไปตามคำศิษย์จำมาตามสำหรับสำราแต่จิตใจของตัวชั่วเสียอย่างไรนั้นยังคงเส้นคงวา่าไม่มีอะไรที่จะละจะถอนจะเบาจะสบาย ไ, ได้พ้าพุทธต้เจ้าจึงเรียกว่าโปลตีนัทคือใบลานเปล่าคำพีเปล่ า, ลาไม่มีอะไรเป็นสาระเก่นสารภายในจิตในใจของท่าน แต่จึงเกิดละอายนี้ไปภาวนาศึกษาปฏิบัติมนเรืเ่องโปรตีัฐพวกเราก็ททำนองเดียวกันทราบดีว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้แต่จิตของเราจริงจังยังไม่ถอดถอนยังไม่เห็นทุกเห็นโทษเห็นไถในความหลุ่มหลงในสมมติที่เราเรียนมาที่เราติดข้อง จำต้องเลยที่นี้พิจารณาประพฤตปฏิบัติภายในใจิตในใจของตัวดูภายในอย่าไปดูภายนอกเมื่อเห็นก็ดีได้ยินก็ดีจิตมันคงที่หรือไม่หรือมันเ อ, เอียงไปตามเรื่องรักเรี่ยงชอบเรี่ยงเกลียดเรื่องชังต่างๆต้องดูภายในผู้ปฏิบัติความลุ่มหลงข้องใจนั้น หากเราไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาไม่ซํำละมันไม่มีวันเวลามันจะเบาบางไปได้ถึงเท่าถึงแ่ขนาดไหนมันก็ยังมีอยู่ในจิตในใจของมันอยู่เรื่อยๆไปกายมันทําไม่ได้แต่ใจมันก็ยุ่งเกี่ยวชอบยินดีปรุงคิดติดข้องอยู่อย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสาคัญ เราจะปฏิบัติตอนไหนการใดเวลาใดนอกจากเวลาที่เรายังมีกิเลสตัณหามีชีวิตชีวาอยู่เท่านั้นการอื่นเวลาอื่นมันไม่มีจะประพฤติปฏิบัติผู้ที่ชันบริสุทธิ์แล้วจะมาปฏิบัติทาไมเพราะใจมันบริสุทธิ์แล้วในตองปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์คนตายแล้วก็เหมือนกันจะปฏิบัติอะไรได้ ไห้มันรับศีนมันก็รับไม่ได้ให้มันกินมันก็กินไม่ได้ให้มันไปที่ไหนทำอะไรมันไปไม่ได้ทำไม่ได้ฉะนั้นพะมันตายเหมือนกันกับ <c oughs> ถอนไม้ถอนฟืนคนตายหาคุณค่าสารประโยชน์ไม่ได้ถอนไม้ถอนฟืนยังมีคุณค่าคนยังเอาไปหุงต้มเอาหอมอาหารได้เกิดประโยชน์ แต่คนนี้ตายไปแล้วไม่มีคุณค่าสาระอะไรผมขนเล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขายไม่ได้ไปทําหยูกทํายาเขาก็ไม่นิยมกันเพราะฉะนั้นคนจึงไม่มีคุณค่าอะไรสําหรับกายอันนี้นอกจากความดีที่เราประพฤติปฏิบัติเท่านั้นใจมันเป็นเรื่องสําคัญไปหายุ่งเกี่ยวติดข้องต่างๆทั้งที่เรื่องเหล่านั้น มันแสดงออกบอกให้ทราบอยู่ตลอดการแต่มันก็โง่ไม่นำมาที่นิพิเจนาไม่คิดไม่รักษาตัวของตัวเอ๊ไอหมาเนี่ยมันยังไงกันไม่พูดธรรมะมันไปเห็นเห่ามันหอนอะไรมันบ้าอะไรกัน เรื่องของใจจึงควรไ่คิดพิจารณานักปฏิบัติเท่านั้นผู้ที่จะรักษาจิตใจของตัวได้ส่วนผูไ้ไม่ปฏิบัติไม่มีทางที่จะรักษาได้ยิ่งยุ่งเกี่ยวกับการงานมากเท่าไรภายนอกก็ไม่มีทางที่จะทาจิตทาใจให้สว่างสวัยทาใจให้สงบเย็นเพราะเห็นเรื่องนอกเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องใจของตัว เหตุที่หลงอย่างนั้นพวกเราจรึงก่อพบก่อชาติเรื่อยๆมาไม่ทราบว่าจะหมดเมื่อไรจะจบเมื่อไรการที่จะละจะแก้ไขก็เลยถือว่าเหลือวิสัยหรือไม่คิดจะเลยถือว่าโลกอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยก่อจริงสำหรับเมื่อเวลาจิตมันเพลินมันยินดีแต่การยินดีในโลก มันมีวันเบื่อวันหน่ะไม่มีวันอิ่มพอได้อันนี้ก็อยากอันนั้นได้อันนั้นมาแทนที่ว่าจะมีสุขมีสบายอยากอันใหม่อีกเหตุนี้มันจึงเกิดทุกเกิดโทษอยู่เรื่อยๆท่านจิงว่ายเลดปัญหานำมาสู่ความทุกข์ของใจแต่นั้นเราจะต้องแก้ไข เรื่องกิเลสตัณหาออกจากใจใจจึงใจสงบใจจึงใจสว่างสวใจจึงจะเป็นอักเป็นธรรมมีความสุขล้ำค่าหากเราแก้ไขกิเลสตัณหาออกจากใจได้ใครมีกิเลสตัณหาในใจิตในใจมากเท่าไรคนนั้นเป็นคนทุกข์คนยากคนลาบากไม่มีความสุขความสบายความสงบทางๆางฉี่โลกอันนั้นมันเป็นอยู่ตาม ธรรมชาติของมันแต่จิตก็ไปยึดมัน่นถื้มั่นลุ่มหลงนี่เป็นเรื่องทุกคนนักปฏิบัติจะคนคิดพินิจพิจารณาความสุขในการมจิเลสในจิเลสกรรมต่างๆเป็นเรื่องสำคัญที่สัตวโลกทั่วไปติดกันเพลิเพลิน ม, มัวเมาเฝ้าฝันอยากได้ทนุถนอมหามา ถึงจะยุ่งยากลำบากขนาดไหนก็เต้นใจพอใจสแสวงหาแต่ก็อันนั้นแหละเ ป, เป็นทุกข์เป็นโทษแกตัดที่ข้องจิตยุ่งเกี่ยวไม่ใช่อันอื่นคือความรุ่มหลงของจิตของใจถือว่ามันดีอย่างนั้นมันไปเสดิฐอย่างนี้นี่คือความอยากของใจได้แก่ราคะตัณหา ถ้าหากพิจรารณาในทางถอดถอนมันก็มีทางที่จะพิจรารณาแก้ไขให้มันหายไปได้ถ้ามันไม่หายไม่มีใครในโลกที่จะเป็นพระพุทธเจา้าหรืออรหัตอรหันดะ่งท่านจิตเรานั้นท่านแก้ไขของท่านให้หมดออกไปจากใจท่านจึงมีความสว่างสวัยมีความสุขความสงบตลอดการตลอดเวลาเราเล่ า, ลาขาดอะไร จะทำไม่ได้หรือหรือจะยินดีในสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยไปยินดีในทุกข์ในโทษเพราะไม่เคยเห็นความสุขความสบายอันประเสริตวิเศษยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสตัณหาความสุขในการเสพกามก็เหมือนกันกับคนเกาบาดแผลที่มันคันเกาวเวลาเกาอยู่นั้นก็รู้สึกว่ามันได้รับความสุข มันดีมันดีแต่เมื่อเวลาหายจากการเกล้าไปแล้วเป็นยังไงอ่ะแผลนั้นมันมีแต่ออกร้อนมีความเจ็บปวดเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นคนที่ลุ่มหลงในกามก็ทำนองเดียวกันมันเพลินมันหลงไม่ใช่ของดบของดีอะไรศัสตร์ทั่วไปก็ทานองเดียวกันไม่ว่าแต่มนุษย์ สันจริงว่าการมาโลกคือมันติดในเรื่องของกามมันยินดีในเรื่องของกรรมเราจะต้องพิพจารณากรรมอันนี้ทําให้เราชั่วเราเสียเราทุกเราเดือดร้อนไม่ใช่เรื่องอันอื่นมันเกิดขึ้นจากใจเราแก้ไขนั้นมันไปติดข้องที่ตรงไหนจะต้องพิพจารณาแก้ไขที่ตรงนั้น มันมีอะไรเป็นเรื่องสำคัญที่ควรหลุ่มหลงดูในตัวของตัวให้ถวถึงมีอะไรกันแน่ที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาผมก็ยังว่าผมขนก็ยังว่าขนที่สมมุติกันแต่ทำไมมันหลงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลถามดูผม มันเป็นคนไหมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันเป็นคนไหมมันก็ไม่ตอบมันไม่เป็นอะไรแต่เราไปสมมุติแต่ทำไมไปลุ่มหลงมันเมื่อไปลุ่มหลงก็ไปเสกสรรอีกว่าอันนั้นดีอย่างนั้นอันนั้นงามอย่างนี้ทั้งทั้งที่ของเหล่านั้นปกติของมันปกติกูลไม่ใช่ของสวยสดงดงามอะไรมันไหลออกมาจากตาจากหู ก็เรียกขี่จากจมูกจากปากติดอยู่ตามขี่ฟันก็เหมือนกันไม่ใช่ของสวยความงามอะไรเน่าเหม็นทั้งนั้นยิงออกในทวารหนักก็ยิ่งไปกันใหญ่เป็นของเน่าของเหม็นเพียงแต่ลอมเท่านั้นอ่ะมันออกจากตัวของบุคคลมันก็เน่าก็เหม็นให้เห็นไปจากอยู่แล้วแต่ทําไมไปหลงกันล่ะแต่มันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้ เพราะไม่มีปัญญาสามารถที่จะชินิพิจรารณาแก้ไขจิตใจของตัวเขาว่าดีก็ดีตามเขาเขาว่าชั่วกว็ชั่วตามเขาเราไม่เป็นตัวของเราทางธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนท่านให้เป็นตัวของตัวให้ทินิจพิจรารณาอะไรเป็นอะไรกันแน่แก้ไขใจของตัวให้เป็นอิสระอย่าไปตกอยู่ใน อำนาจของจิเรตตัญหาเป็นข้าของเขาไม่มีความสุขไม่มีความสบายให้ทุกอะไรจะทุกข์เข่าการหลงในเรื่องของกรรมอยู่ธรรมดาในเกี่ยวเกาะพัวพันยุ่งกับเรื่องของกรรมถึงมีก่อเป็นจิเรตสกามแต่วัตถุกรรมภายนอก เราไม่เอาพอมายุ่งเกี่ยวมันก็ยังมีความสุขมีความสบายพอสมควรพอหากห้ามปิดใจเอาไว้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวถ้าหากกิเลสกรมก็มีวัตถุกรรมก็มีอยู่ในนั้นมันก็ไปกันใหญ่ไม่มีวันที่จะสุขจะสบายได้ถึงนอนก็ไม่เป็นอิสระเดี๋ยวลูกวองไห้เดี๋ยวคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ เรานอนอยู่ดีๆคนเดียวไม่ได้ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวเราเราอยากนอนเหมื่อะไรเราก็นอนได้ไม่มีใครมาบรบกวนกินก็เหมือนกันอันนี้มันมีรสมีชาติ อ, ร, อร่อยเดี๋ยวลูกคนนั้นขอเดี๋ยวหลานคนนี้ร้องไห้ก็แบ่งเข้าไปมันไม่มีอะไรที่จะให้สุขให้สบายเรื่องของการไม่มเจริญเรื่องความอยากของตัญหา มันนำมาแต่ทุกแต่โทษแต่คนก็ไม่เห็นยินดีเพลิดเพลินถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวลำบากยากเย็นขนาดไหนก็ยอมเสียสละแม่กระทั่งชีวิตอุทิศ ต, ต่อเรื่องของกรรมมันเป็นแบบนั้นนี่คือมันมืดมันบอดจิตใจมันตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาถ้าหาคู่มีธรรมะภายในใจตั้งหน้าปฏิบัติ แกไขฝึกอบรมใจของตัวจนให้จิตใจนั้นเข้าถึงธรรมถึงไม่ละขาดจากเรื่องกิเลสตัณหาแต่กพอได้สัมผัสกับธรรมคือความสงบของใจความปล่อยวางของใจชั่วการชั่วสมัยเป็นคณิกะอุปจาระหรืออปนากว่ายังมีโอกาสเวลาที่จะ พินิจพิจารณาได้ว่ากามนั้นมันให้ทุกข์ให้โทษขนาดไหนความสุขในอัดในธรรมสี่พระพุทธเจ้ารุษนักตระทั่วไปทันทันและเสริญเยินยอมันมีคุณค่าสาระควากันขนาดไหนมันทราบภายในจิตในใจของตัวนี่ใจยังไม่เคยสงบใจยังไม่เคยสัมผัสกับอัดทำอะไรเหตุนั้นมันจึงไม่เชื่อไม่เลื่อมใสไม่เต็มใจไม่ยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติ เลยคิดวงยุ่งเกี่ยวตั้งแต่เรื่องสมมติเรื่อ ง, ง, องข้างนอกอยู่เรื่อยไปถึงมาบวชอยู่ในศาสนาเป็นพระเป็นเนนก็เพียงแต่เพศแต่จิตใจมันยังประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาไม่มีอะไรที่จะละจะถอนจะเบาจะสบายให้เลยไม่เห็นอะไรในการประพฤติปฏิบัติที่มีคุณคณ่าสาระเพศนั้นมันจึงอยู่ไม่สุขไม่สบาย ถ้าเห็นคุณค่าสาระในการบวชการประพฤติปฏิบัติมันห้ามไม่ได้บังคับไม่อยู่จิตใจมันจะต้องวิ่งว่อนกระทำบำเพ็ญเพราะความเย็นความสงบความสุขที่เรียกว่าอาจว่าทำมันเกิดขึ้นทำขนาดนี้เห็นขนาดนี้จิตใจมันดี มันสุขมันสบายมันเคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมันวางมันปล่อยไปเดี๋ยวนี้มันอยู่สงบถึงคิดปรุงก็คิดปรุงเผื่อทางแก้ไขขับไล่จิเลตไม่คิดปรุงเพื่อความยุ่งเกี่ยวติดข้องเหมือนก่อนเก่าเราจะทราบจากการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยการประพฤติปฏิบัติมันมีคุณค่าสาระในจิตในใจถ้าใครเป็นใครเห็นแล้วเชื่อมั่น ในตัวของตัวแบบความสุขยิงจังนั้นไม่ได้อยู่กับรูปเสียงวัตถุภายนอกมันอยู่กับจิตกับใจภายในสาจิตใจไม่ไปติดข้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นหลาชื่อว่าความสงบของจิตมันมีความสงบนี้เป็นพื้นฐานสําคัญที่จะเกิดความเชื่อมัน่นแล้วเมื่อจิตใจแวบออกไป ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันก่อตามไปที่นิพพานามันจะเกิดคุณค่าสาระเพื่อแก้ไขจีเลตตัญหาหรือมันจะหลอกลวงเราไปต้มตุนให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวค้องตัวมันจะต้องทราบเพราะมันมีสติมันมีปัญญามีธรรมะในตัวในปล่อยตัวเหมือนเก่าก่อนนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติ ที่จะอยู่มั่นในศาสนาได้ที่จะมีความสุขความสบายมีอาจมีธรรมในตัวมันเป็นอย่างนั้นมาอย่างนั้นการบวชก็ไม่เกิดคุณค่าสาระอะไรคอยวันคอยคืนแต่จะตายอยู่อย่างนั้น ท, ทั้งทั้งที่ร่างกายไม่มีโรคภัยอะไรแต่จิตใจโรคภัยคือกิเลสตัณหามานะทิฏฐิความอยากในใจมันเป็นโรคภัยเบียดเบียนใจของตัว ไม่มีความสุขความสบายให้คือยินดีเลื่อมใสเต็มใจในเรื่องของโลกเรื่องของอาจท้องทำที่เราอยู่ในวัดในวา่าในความวิเวกวังเวงมันอยู่ไม่ได้เพราะใจมันชั่วเหมือนกันกับปลามันเคยอยู่ในน้ำเราจะเอาขึ้นมาบกมันอยู่ไม่ได้นานเ๋ยวะมันก็ตายเท่านั้น นี่จิตใจของพวกเราท่านก็ทํานองเดียวกันพระพุทธเจ้าสรรเสริญเียนสมาธิปัญญาลิชาริมุติว่าเป็นของดีของดีของพิเศษแต่คนมีกิเลตันหาอย่างพวกเราเราทันทันมันไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญเหตุใดจึงบแางไม่เห็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันพิจารณาเสดทางแก้ไขจีเลตันหานั้นมันมีส่วนน้อยแต่ปล่อยไปคิดเรื่องใหม่ เรื่องที่จะสะสมกีเลียตตัญหามันมากกว่าถ้ามันไม่ยินดีมันไม่พอใจทำไมมันจึงไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นนี่มันยินดีมันพอใจมันจึงไปยุ่งเกี่ยวมันไม่เบื่อมันเบื่อเรื่องอ่านเรื่องทมถ้ามันเป็นแบบนั้นก็เหมือนกันกับคนเบื่อยาทั้งที่โรคอยู่ในกายเต็มตัวอยู่แล้วคอยวันคอยคืนมิแต่ทรงกับทุด แต่จะเอาเข้าโลงอยู่อย่างนั้นแต่เอายาอะไรมาใส่มันก็เบื่อไม่รับทานให้ไม่ชันให้แต่ของแสลงกระโวกกับไผมีเท่าไรมันยากห้ามไว้ก็ไม่ฟังคนอย่างนั้นจะมีวันมีเวลาหายจากโโบกไผ่ไหมมีแต่วันที่จะเอาเข้าโลงเขา้าเตาโถนั้นไม่มีวันที่จะหายนี่ใจเขาพวกเราท่าน ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีวันเวลาเราใครเราจะแก้ไขให้ธรรมะของพระพุทดธดเจ้าเป็นของของท่านเราต้องนำมาที่เจริญนสะําำระใจของเราเราเองเป็นผู้ทาพระพุทธเจ้าก็เหมือน่อบครัวทำอาหารมาให้แต่คนที่ทานนั้นไม่ทานจะว่าอาหารไม่มีรสคาะอาหารไม่เกิดสารประโยชน์กำลางกายคนแบบนั้น มันก็พูดไม่ได้เพราะไม่ทานอาหารมันจึงไม่อิม่มร่างกายจึงไม่สบายร่างกายจึงหิวโหวยถ้าเขาทานไปอาหารนั้นจะเกิดสาระประโยชน์ให้คือความหิวโหวยจะหายไปกำลังของกายจะเกิดขึ้นเพราะกายมันอยู่ด้วยอาหารนี่ใจของพวกเราท่านที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพรามไมพ่นี้พิจารณาทำถึงถสอนไว มากมายขนาดไหนแต่เราก็ไม่ได้เอาใจใส่คิดไปตั้งแต่เรื่องข้างนอกเหตุนั้นจิตจิ่งยุ่งเยิงมัวเมาเฝ้าฝันอยู่ตั้งแต่เรื่องนอกเรื่องในที่จะทับไล่แก้ไขให้ใจสงบสบายนั้นมันไม่เกิดขึ้นคนโดยมากส่วนใหญ่หรือทั่วไปก็พูดได้มันชอบความสนุกมันไม่ชอบความสบาย ความสนุกนั้นเป็นคู่กันกับทุกข์ใชรชอบสนุกคนนั้นแหละเจ้าทุกข์แต่ความสบายนั้นคู่กันกับความสงบถ้าสงบล้าสบายถ้าสนุกเราไม่มีทางที่จะสงบได้จะสบายได้นี่จะทุกข์โทษตามหลังมาคอยสังหารจิตใจที่เสิดที่เพลินที่ลุ่มที่หลงนั้น เลื่อยไฟส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นมันจริงไห่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระแก้ไขใจของตัวเองเพราะความรุ่มหลงความเพลิดเพลินความชอบสนุกให้มาฟังเทศฟังธรรมนัง่งภาวนาํำระใจมันไม่ชอบแต่จะทุกข์จะลำบากจะยากจะเหนื่อยขนาดไหน ถ้าหากมีมหัศลสพครบงานต่างๆเขาเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้ให้เพลินตา <_ an> พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ก็ลวงหูให้เกิดเจเลตตัญหามันชอบไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ถึงเท่าถึงแก่ก็ยังไปอุ้มลูกผูกหมากันไปไนสาว่ะชิงเหล่านั้นมันให้สุข จริงจังหรือไม่มันไม่ได้นามาวินิจฉัยไม่ได้มาแก้ไขปรับปุงตัวคลองตัวเหตุนั้นมันจริงนานเนียน่ยเต็มอยู่ทั่วโลกคนที่มีกิเลสตัณหาคนที่หมดกิเลสตัณหาจังหายากไม่ใช่ว่ามันจะหาอ่างงั้นดูแต่วา่าระจิตของเราท่านท่านที่เป็นนักบวชความถี่เป็นนักบวชเห็นทุกเห็นโทษในวัฏสงสารมันมีบ้างไหม ความที่จะแก้ไขจิตใจของตัวให้มันดีให้มันสงบมันหายากวาระจิตแต่มันคิดไปเรื่องนอกมันคิดไปได้คิดทั้งวันทั้งคืนก็ได้แต่จะมาคิดแก้ไขให้ใจของตัวสงบให้เห็นทุกข์เห็นโทษให้เห็นจริงในสิ่ง น, น, นั้นั้นแล้วจะปล่อยวางแก้ไขกันให้ตกให้ขาดมัน หายากวาระจิตที่มันคิดมันปรุงมันแก่มันไขในอดในธรรมอย่างนั้นเหตุนั้นมันจิงติดจึงข้องจึงเถิดจึงเพลินจึงมัวจึงเมาอยู่ตลอดระยะเวลาเราจะไปะเอาเวลาไหนทําจิตทําใจให้ผ่องใสทําจิตทําใจให้สงบตายก็ยังว่าตายใน ม, มีคุณค่าสาระอะไรอย่างที่อธิบายมา ก็ยังเป็นอยู่นี้อ่ะยังมีอยู่นี้ล่ะที่จะแก้ไขศรัทธาความเชื่อมั่นในศาสนาว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นยาสำหรับแก้ไขใจสี่ชั่วสี่เสียให้หมดออกไปสามารถตัดขาดเรื่องของโลกได้ถ้าหาพิเจเรนา้วยสติปัญญาจริงจังแต่เราก็ ฟังแล้วไม่ถึงใจเลยไม่เกิดอะไรให้ทั้งช่างสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ในกายในใจแต่ไม่นํามาประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เกิดคุณค่าสระอะไรให้แต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่พระพุทธเจ้าห้ามยาอ ย, ยา่ามันก็วิ่งตามอยู่เรื่อยมันยังไม่เห็นมันยังเข้าใจแ่บเป็นของดีของดีงดเหมือนคน ตามเสือถอยใจว่ะกวางหรืออีเก่งพอตามไปตามไปมันกัดตายแล้วเึงอสาวว่าเสือมันทำนองนั้นแต่นั้นพวกเราท่านที่เป็นนักต่อพืชปฏิบัติเป็นนักบวชจึงควรไข่จิตที่นี้ทจรารณานอย่าให้เสียข่าวสุปลาตายของเขาอุตสาห์ทำคุณงามความดีไข่เต็มที่เต็มฐานเขากราบเขาไหว้เคารพ บ, บูชาก็เพราะ เรามีศีลมีธรรมในเราถ้าหากเราประพฤติชั่วประพฤติเสียจากศีลจากธรรมไปใครเขาจะเลื่อมใสเขาจะเต็มใจมาราบมาว่าเท่าแกกว่าพวกเราก็ไม่อดไม่ยากอยู่ในหมู่บ้านแต่เขาก็ไม่ไปกาบไปไหว้กันเพราะเหตุใดเพราะเขาทราบว่าคนเหล่านั้นไม่มีศีลมีธรรมเพราะที่จะกาจะไหว้ไม่เป็นปูชนียบุคคล ที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาเนี่เราถึงเป็นผู้ที่มีอายุยังน้อยยังอ่อนอยู่แต่ศีลธรรมของเรามีถ้าประพฤติดีเขายังยอมกราบยอมไหว้ถ้าประพฤติชั่วประพฤติเสียให้เขาเห็นใครเล่าเขาจะมาเดื่อมใส่ศรัทธาเขาให้อะไรมากว่าเพื่อบูชาคนประพฤติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นไม่ใช่ว่าเขามา ออามาให้บำรุงชี่เลดตังหาให้เราเป็นบาเป็นบออยู่ในวัดในวาเพื่อทำลายเหยียบย่ำศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นเขาให้ด้วยศรัท ธ, ธาความเชื่อความเหลื่อมสาเขาให้เพื่อจะให้มีจิตใจประพฤติปฏิบัติอักธรรมเราทุกคนจงหมั่นพินพจิตรณาสอนตนอย่าเป็นคนมักง่ายเพราะความมักง่าย ไม่ใช่ทางดีทางดีความโง่ไม่ใช่ทางที่จะแฉกิกเลดตัณหาความเกลียดค้านก็ผิดจากอักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาบวชก็เพื่อจะชำระสา ร, สารความชั่วต่างๆที่เราเคยเป็นเคยมีในกายในใจของเราเคยทำเคยพูดเรื่องชั่ว ศีลก่อหักห้ามเอาไว้เคยคิดเคยปรุงเรื่องชั่วเรื่องธรรมคือสมาธิก่อหักห้ามเอาไว้ถ้าไปคิดไปปรุงไปยุ่งไปเกี่ยวจิตก็ไม่สงบเคยุ่มเคยหลงในเรื่องนั้นนั้นไม่ทราบสาเหตุตามเป็นจริงของมันปัญญาก่อสามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปแกะไขขับไ ล, ล่ความหลมหลงให้ตกออกไปไดน้นี่คือธรรมะ พระพุทธเจ้าและพระพุทธองค์เคยประพฤติธปฏิบัติมาครูอาจารย์เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีความสุขความสบายภายในใจของท่านแต่ความสุขความสบายในด้านอัตธรรมนั้นมันไม่ใช่วัตถุเพราะที่จะหยิบยกให้คนอื่นดูได้ท่านทราบจากตัวของท่านเองแต่ก่อนที่ยังไม่ได้แก้ไขยังไม่ได้ประพฤติธปฏิบัติ กายใจให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้จิตของเราปกติมันเป็นอย่างไรเมื่อตาเห็นหูได้ฟังจมูกได้กลิ่นหรือเรื่องต่างๆที่มันคิดรุงทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่กับตัวแต่มันก็คิดรุงไปอย่างนั้นคิดรุงไปอย่างนี้อยากรีอยากดีอยากร่ําอยากรวยมันคิดไปรุงไป ยิ่งนักบวชไม่มีธรรมมในมันยิ่งคิดใหญ่ปรุงใหญ่เพื่อจะปรับปรุงเรื่องของโลกให้มันเจริญแต่จิตใจของตัวไม่ยอมดูว่ามันั่วมันเสียอย่างไรโดยมากันเป็นไปแบบนั้น ท, ทั้งทั้งที่ข่าก่เลื่ยงเลืองศีษะก็หล่นล้นเขาถือว่านักบวชแต่การคิดการทำ ายในมันไม่ใช่นักบวชมันนักเบียดนักเหยียบย่ำทำลายศาสนาขอให้ทุกคนตรวจตาที่จรในานาจิตใจของตัวสิ่งใดที่มันชั่วมันเสียหลรีบสำลระสาสางห้ามกันสิ่งใดที่มันจะนำความสุขความจเจริญมาให้จะปล่อยวางแก้ไขกิเลสตัณหานำมาพิพจนารณาศึกษาปฏิบัติเพียนละมัดระวัง จิตใจของตัวด้วยสติด้วยปัญญาอยู่สม่ำเสมอผู้ที่มีความเพียนประจําอยู่ในจิตในใจละชั่วบำเพ็ญดีแก้ไขจิตใจที่คลองจิตคิดแวะอยู่เรื่อยๆผลที่สุดก็จะไปถึงรีมุตคือความหลุดจากที่เหลือตัณหาไปได้สมกับพาสิทธิทธนว่าวิเดเยนะทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียน ไม่ใช่เพราะความเฉียดค้านเราทุกท่านเมื่อได้สะดับรับฟังจงนำไปที่นิพจาศึกษาต่างหน้าต่างตาละถอนอย่างชั่วเสียต่างๆคะคือความเปรตควรจะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราท่านการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเกี่ยดเวลาพออยุติเพียงแค่นี้ เ, นในในในเองเอ